ปจุปันนาติตะวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลจะขายะตนะมูลกะในเจดสิบอนุจะขายะตนะของบุคคลใดกำลังเกิดโสตายะตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตายะตนะของบุคคลใดเคยเกิดจกขายะตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิบุคคนทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจกักขคุเกิดไม่ได้กําลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจกักขคุเกิดได้กาลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจักขายตนะก็ก al ําลังเกิดอนุจักขายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดคานายตนะรูปายตนะมัญนายตนะ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 ธรรมัมมายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจักขายัตนะก็กําลังเกิดจักขายัตนะมูลกะในจบคานายตนะมมลกระในเจเออนุคานายตนะของบุคคลใดกาลังเกิดรูปายตนะมนายตนาะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปติธรรมัมมายตนะของบุคคลใดเคยเกิด คานายัตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายัตตณะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ค า, านายัตตณะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังเกิดธรรมายัตนะของบุคคลเหล่ า, านั้นเคยเกิดและคานายัตตณะก็กำลังเกิดคานายัตนะมูลกะในจก รูปายตนะมูลกะในเจ็อนุรูปายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดมนายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดเคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ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 ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมนายตนะก็กําลังเกิดมนายตนะมูลกะในจบอนุโลมะโอกาสจากขายตนะมูลกะในเจ็สิบสี่อนุจะขายตนะในภูมิใดกําลังเกิดโสตายตนะในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุโลมะปุคโลกาตจากขายตนะมูลกะใน เ5หอนุ uk, จากขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดโสตายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิจากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่โสตายยตนะไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรูุเกิดได้กำลังอุบัติจากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกาลังเกิด และโสตายตนะก็เคยเกิดปติโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้มีจกักขุเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกล า, าวจรภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จากขายยตนะไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีจักรโคเกิดได้กำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจักขายตนะก็กำลังเกิดอนุจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในโรปาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิด แต่ขานายจ ต, ตานะ hey, ไม่เคยเกิดบุคคลผู้มีจักรเกิดได้กําลังอุบัติในกา마วจรภูมิจากขายจตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและขานายจตนะก็เคยเกิดปฏิขานายจตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขายจตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้ก <vanilla> ําลังจุติจากกา마วจรภูมิ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 รูปายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิจกขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่รูปายัตนะไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจกักรเกิดได้กำลังอุบัติจกขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและรูปายัตนะก็เคยเกิดปิรูปายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด จากขายาตนะ Day. ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวกาลภูมิบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกลามวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาัตตภูมิรูปายาตนะของบุคคลเหล่านั้ น, น, นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จากขายาตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังอุบัติ รูปายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจักขายยตนะก็กำลังเกิดอนุจักขายยตนะของบุคคลใดในภูมิดายกำลังเกิดมนายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุดท่าว่าสภูมิจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มนายยตนะไม่เคยเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีจักผูคเกิดได้กำลังอุบัติจากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและมนายตนะก็เคยเกิดปฏิมนายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขายัตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจะโวการพูมบุคคลผู้มีจกักรโเกิดไม่ได้กาลังอุบัติในคามาวจรภูม และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จักขายาตนณะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขวเกิดได้กำลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจักขายตณะก็กำลังเกิดอนุจักขายติณะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั <S <s umm yes. ้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิจะขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจกักขรเกิดได้กำลังอุบัติจะขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและธรรมายตนะก็เคยเกิดปฏิธรรมายตนาของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจกขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจักขผู้เกิดไม่ได้กําลังอุบัติทํารมยตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรผู้เกิดได้กําลังอ <board> ุบัติทํารมยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจักขายตนะก็กําลังเกิดจักขายตนะมูลกระในจบคานายตนาโมลกระใน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 และคานายตนะก็กำลังเกิดคานายตนะมูลกะในจบรูปายตนะมูลกะใน77อนุรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดมานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและอสัญยสัตตภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มนายัตนะไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กำลังอุบัติในปัญจวโวระภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและมนายัตนะก็เคยเกิดปฏิมนายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กาลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมและบุคคลผู้อุบัติอยู่ใ น, ในอรูปภูมิมนายัตระของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่รูปายตระไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมมนายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและรูปายตระก็กำลังเกิดอนุรูปายตนะของบุคคลใดในภูม like ิดกำลังเกิด ธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีรูปเกิดได้กำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและธรรมายตนะก็เคยเกิดปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด รูปายัจเนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายัจนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่รูปายัจเนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีรูปเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายัจนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและรูปายัจเนะก็กำลังเกิด รูปายตนะโมลกกะในจบมนายตนะโมลกกะใน 78. อนุมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุดทาวาสภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่เคยเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีจิตเกิดได้กำลังอุบัติมนายจตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและธรรมยจตนะก็เคยเกิดปฏิธรรมยจตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมนายจตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุดติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมยจตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่มานา ย, ยัตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมานายัตนะก็กำลังเกิดมานายตัตนะมูลกะในจบปจัจจเนียกะบุคคลจักขายัตนะมูลกะในเจเกอนุจักขายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิเคยเกิดปฏิโสตายตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากขายายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิไม่มีอนุจากขายายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดคานายตนะรูปลายตนะมนายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปฏิ ธรรมายตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีจากขายตนะมูลกะในจบจากขายตนะมูลกระในแปดสิบอนุคานายตนะรูปายตนะมนายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช va ่ไหมวิเคยเกิด ธรไมายตนาของบุคคลใดไม่เคยเกิดมานายนตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีปัจเจเนกาโอกาสจักขายยตนะหมูลกาใน8ปออนุจักขายยตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดและถึงปัจนจเนกะปุคคโลกาสจักขายยตนะหมูลกาใน 82. อนุ จากคายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้มีจากขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกรมวจรภูมิจากคายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสตายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสตายาตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิโสตายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิ สโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จักขายายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปริญิพานในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญยสัตตภูมิและอรูปภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจักขายายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจักขายายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด คานายตะณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากกามวจรภูมิและบุคคลผู้มีจักผุเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในคามาวจรภูมิจากคาายตะณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กําลังจุติจากโรบาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตต ภ, ภ, ภูมิและอรูป ภ, ภูมิ จก enrolled, ima, um ักระยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก okay. ็ไ <One> ม <offensive pinpoint> <rebbe> ่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จักรายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลผู้กำลังจุติจากรูปราวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิและอรูปภูมิขาดายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจักขาดายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจักรขาดายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลกำลังจุติจากปัญจโวกรภูมิ บุคคลผู้มีจักขูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกลามวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศันยสัตตภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและรูปายตนะก็ไม่เคยเกิด ปิรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุดท่าว่าสภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จากขายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุดท่าว่าสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จักรยายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจักรยายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจักขรเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกาลมาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิ จากคลายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนายนตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุดทาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิจากคลายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนายนตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิมนายนตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด จกักรายจตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิมนายจตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อเคยเกิดแต่จักรายจตนะไม่ใช่เมื่อกำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตถภูมิมนายจตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อเคยเกิดและจักขายจตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิด อนุจากคายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดธรรมายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจกักขุเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจากคายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ธรรมายยตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุดทาวาสภูมิ จักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและธรรมายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จักขายยตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจักรขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดจักรขายตนะมูลกะะในจบคานายตนะมูลกะใน8ปบสอนุคานา ย, ต น, นนานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังจุติจากกรมาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกรมาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและรูปายตนะก็ไม่เคยเกิด รูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กาลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกามวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กาลังอุบัติในกาวจรภูมิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มานายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิและอสัญญสัตภูมิค า, า, านายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมานายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด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 แต่ธรรมยจตณะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิคานายจตณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและธรรมยจตณะก็ไม่เคยเกิดปฏิธรรมยจตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานายจตณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่คานายจตณะมูลกะไหนจบ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 บุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิรูปรายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนยายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเมื่อเคยเกิดรูปรายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหไมวิ Weil. บุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและอสัญญสัตตภูมิ มานายตะนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อเคยเกิดแต่รูปรายตระนัไม่ใช่เมื่อกําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิและบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญัตตภู idol. มิมนายตระนัของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อเคยเกิดและรูปรายตระนัก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุรูปรายตระนัของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด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 บุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มนายัตนะมิใช่เมื่อกำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อเคยเกิดและมนายัตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดมนายัตนะมูลกะในจ